ครูกับสิ์พากันเดินจากหมู่บ้านไปออกท้องทุ่งที่หมายคือหนองสาหรายบึงใหญ่กลางทุ่งกว้างคนเป็นสิ์แบกเสือหากข้างในเป็นปืนแก๊ปห่อด้วยผ้าขาวม้าเดินตามหลังคนเป็นครูผู้ซึ่งแม้จะเดินตัวเปล่าหากก็ไม่ค่อยจะตรงทางด้วยว่ายังไม่ส่างเมาหนุ่มน้อยยังครุ่นคิดถึงเรื่องที่พูดกับเด็กหญิงแต้มไม่อยากจะโทษว่า เป็นความผิดของเด็กเพราะผู้ใหญ่ทำให้เห็นเป็นตัวอย่างนึกถึงคำสั่งสอนของยายเรื่องมงคลซึ่งยายบอกว่าพระพุทธองค์ทรงสอนไว้มงคลข้อที่สี่การอยู่ในถิ่นมีสิ่งแวดล้อมดีตัวเขาอยู่ในถิ่นมีสิ่งแวดล้อมดีมาโดยตลอดกระนั้นก็ยังประพฤติตัวเกกเมเรเกเรเอาดีไม่ค่อยจะได้ แต่เด็กหญิงแต้มนั้นอยู่ในถิ่นมีสิ่งแวดล้อมเลวฉะไหนจะเอาดีได้เล่าหนุ่มน้อยลืมไปว่าตัวเขาก็ละเลยมงคลข้อแรกคือไม่คบผ่านผู้ชายที่เขากําลังเดินตามหลังต้อยต่อยอยู่นี้เป็นผ่านเขาไม่ได้คำํำนึงถึงข้อนี้ครูครับผมขออนุญาตพูดถึงเรื่องส่วนตัวของครูได้หรือเปล่าครับ เด็กหนุ่มตัดสินใจแล้วว่าจะต้องหาทางช่วยเด็กหญิงแต้มเอาเลยเองจะพูดอะไรก็ว่าไปเลยเรามันเพื่อนกันนี่นะครูชินว่าแต่ครูต้องให้สัญญาณนะครับว่าจะไม่ไปลงโทษนางแต้มมันแล้วก็อย่าคิดว่าผมละลาบละล้วงเรื่องส่วนตัวของครูนางแต้มมันไปว่าอะไรเองหรือบอกมาเถอะข้าจะเคียนมันให้หลังลายเลย เขไม่ใช่พ่ดที่โคค้างลูกตัวเองหรอกนะคนอย่างไอ้ชิ้นเพื่อนต้องมาก่อนลูกจริงไหมวะคนพูดหันมาตบไหล่คนเดินตามหลังมันไม่ได้ว่าอะไรผมหรอกครับแต่ผมเห็นว่าเป็นเรื่องที่ควรจะต้องตัดไฟเสแต่ต้นลงหนุ่มน้อยพยายามอธิบายไฟอะไรล่ะเองจะตัดไฟอะไรที่ไหนคือผมเพียงแต่เปรียบเทียบนะครับ ผมเป็นห่วงไม่อยากให้หนางแต้มมันเสียเด็กเสียเด็กยังไงครูชิ้นยังคงไม่เข้าใจครูต้องรับปากกับผมก่อนว่าจะไม่ไปด่าว่าหรือเคี่ยนตีนางแต้มมันและผมจะเล่าให้ฟังตกลงตกลงข้าสาบานว่าจะไม่ทำอะไรมันหนุ่มน้อยวัยสิบหกเพิ่งจะเข้าใจว่าเหตุใดเด็กหญิงแต้มจึงชอบสาบานและนี่กระมังที่คนโบราณก็พูดกันว่า ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นความจริงผมก็ไม่อยากละลาบล้วงเพราะเป็นเรื่องส่วนตัวของครูหนุ่มน้อยออกตัวไว้ก่อนผู้ชายข้างหน้าหยุดเดินหันมาบอกคนที่กําลังเดินตามหลังว่าเอาเลยไอ้หนุ่มเองอยากจะพูดอะไรก็รีบๆพูดเสียเพราะประเดี๋ยวเราต้องรีบไปให้ถึงหนองสาหายก่อนตะวันตกดินหนุ่มเจริญจึงเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ครูชิ้นฟัง พร้อมสรุปในตอนท้ายว่าผมกลัวว่านางแต้มมันจะกลายเป็นเด็กใจแตกเลยต้องเล่าให้ครูฟังเพื่อครูจะได้หาทางแก้ไขเมื่อเขาเล่าจบครูชิ้นหัวเราะและจึงพูดขึ้นว่าไอ้นุม่มขอบใจที่อุตส่าห์เป็นห่วงแต่ข้ากลับเห็นว่าไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรมันเรียนรู้ไว้แต่เนิ่นๆอย่างนี้ก็ดีแล้วอีกหน่อยมันโตมีลูกมีผัว จะได้ไม่ต้องมา น, นัง่งสอนกันให้เสียเวลาได้ฟังถ้อยคําของครูชิ้นหนุ่มเจริญถึงกับอึง้งแต่แล้วก็คิดได้ว่าไม่ใช่กงการอะไรของเขาที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวให้มากกว่านี้นางแต้มเอย๋ยข้าช่วยเอ็งได้แค่นี้ลหละเอ็งช่างโชคร้ายเหลือเกินที่เกิดมาเป็นลูกครูชิ้นก้มหน้าก้มตารับกรรมต่อไปเถอะนะ มีอะไรจะพูดอีกไหมคนเป็นครูถามคงไม่มีแล้วครับหนุ่มน้อยตอบเพราะรู้ดีว่าคืนพูดไปก็ไรประโยชน์ดีไม่ดีแกอัดโกรธและเปลี่ยนใจไม่สอนวิธียิงนกให้เขาก็เป็นได้ถ้าเช่นนั้นก็เร่งฝีเท้าหน่อยอีกสักพักใหญ่ก็จะถึงแล้วคนทั้งสองต่างเดินตามกันไปเงียบเงียบไม่มีใครพูดอะไรอีกหากในความเงียบนั้น ต่างคนต่างคิดคิดกันคนละอย่างครูชิ้นกําลังคิดว่าวันนี้หลังจากยิงนกเสร็จก็จะหิ้วมันกลับบ้านสักสองสามตัวเอาไปให้นางสาลี่แกงเผ็ดไว้กินแกล้มเหล้าแกไม่เคยคิดถึงลูกๆว่าจะอยู่จะกินกันอย่างไรยกให้เป็นหน้าที่ของนางสาลี่ที่จะหุงหาสู่กันกินเงินเดือนแกก็แบ่งให้ใช้ทุกเดือนข้าปลาอาหาร ก็ไม่ต้องซื้ออะไรมากนางสาลี่มีที่นาอยู่ห0ิไร่ซึ่งได้รับมรดกมาจากบิดามารดาหล่อนให้คนอื่นทำโดยคิดค่าเช่าเป็นเข้าเปลือกไร่ละ16ถังปีหนึ่งหนึ่งจึงได้เข้าเปลือกถึงแดเกวียนเก็บใส่ยุงไว้เมื่อต้องการเข้าสารก็จะเกณฑ์พวกลูกๆมาช่วยกันตำเก็บใส่กระสอบไว้หุงกิน ส่วนกับข้าวนั้นจะซื้อเฉพาะที่จําเป็นพวกลูกๆขยันหาปูปลามาให้ทั้งยังช่วยเก็บผักหนักฟืนมาสู่กันกินกันใช้ด้วยเหตุนี้ทั้งลูกทั้งเมียจึงไม่ได้เป็นอุปสรรคหนักหน่วงสำหรับครูชิ้นแต่ประการใดข้างฝ่ายหนุ่มเจริญนั้นเล่าเขารู้สึกสังเวชใจที่ได้รู้ได้เห็นความเป็นไปในครอบครัวของครูชิ้น แล้วก็นึกเลยไปถึงบ้านอื่นที่หัวหน้าครอบครัวเป็นคนขี้เล่าเมายาว่าจะเป็นแบบเดียวกับบ้านนี้หรือไม่พ่อกับแม่จะทำรุ่มร่ามประเจิดประเจอดให้ลูกเห็นหรือเปล่าเด็กผู้หญิงในหมู่บ้านที่แอบหนีตามผู้ชายไปทั้งที่อายุไม่ครบ15ปีบริบูรณ์นั้นคงจะเห็นการกระทาของพ่อกับแม่เหมือนที่เด็กหญิงแต้มเห็นอยู่ทุกวันก็เป็นได้ เด็กหนุ่มรู้สึกเมื่อยจึงย้ายปืนจากบ่าซ้ายมาไว้บนบ่าขวาเขาเดินลัดเลาะไปตามคันาตามหลังครูชินซึ่งเดินไม่ค่อยจะตรงทางและทําท่าจะตกคนาก็หลายครั้งชาวนากําลังเกี่ยวข้าวเพราะเป็นฤดูเก็บเกี่ยวบางคนก็ร้องทักทายเมื่อครูชินเดินผ่านหากก็มีหลายคนที่แส้งทําเป็นไม่เห็นไม่อยากทักทายปราศัย ด้วยว่าช่างในความประพฤติของแก่ชั่วโมงต่อมาคนทั้งคู่ก็ถึงบึงใหญ่กลางทุ่งกว้างที่มีชื่อว่าหนองสาหรายบนพื้นผิวน้ำมีผักนานาชนิดขึ้นอยู่เต็มทั้งสายบัวซึ่งออกดอกสีบันเย็นผักบุ้งผักแว่นผักกระเฉดผักสันตวาผักเหล่านี้ สามารถนำไปจิ้มน้ำพริกปลา้ะกินกับข้าวได้น้ำในบึงใสแจ๋วจนเห็นหมู่ปลาที่ปากันแหวกว่ายเล่นฝูงนกยางและนกกระสาต่างบินชวดชเวียนเวียนวนตาจับจ้องมองลงมายัางผืนน้ำคอยโฉกเฉียวปลาที่เคราะห์ร้ายกินเป็นอาหารนกยางจะกินแต่สัตว์มีชีวิตเช่นหอยปูปลา หากไม่กินพวกพืชผักส่วนนกกระสานนั้นกินทั้งสองอย่างด้วยว่าจับปลาเก่งสู้นกอย่างไม่ได้โอ้โหยังกับสวรรค์เนี่ยครับครูผมไม่ยักรู้ว่าตำบลบางม่วงหมู่จะมีสวรรค์บนดินด้วยหนุ่มน้อยมีท่าทางเริงร่าเขาคิดไปถึงเพื่อนเกลอทั้งสองคือนายจุกกับนายโก คิดว่าวันหลังจะชวนกันมายิงนกตกปลาณที่แห่งนี้เอ็งไม่เคยมาหรอกหรือไอหนุ่มไม่เคยครับนี่เป็นครั้งแรกครูคงมาบ่อยสิครับตอนหลังๆก็ไม่บ่อยนักหรอกแต่ตอนหนุ่มๆข้ามาแทบทุกวันนี้โรงเรียนมากับพวกเพื่อนครูชินเล่าถึงอดีตท่าทางโอนิดๆเสียดายจังที่ผมลืมติดเบ็ดมาด้วย ไม่ใช่นนั้นจะตกปลาดุกไปต้มหม้อปลาร้าแล้วก็ตกปลาช่อนไปแกงส้มเขาลืมเรื่องที่ใหญ่ห้ามวันนี้เราไม่ได้มาหาปลานะเว้ยไอหนุ่มเราจะมายิงนกกันข้าจะสอนเคล็ดลับในการยิงนกให้ส่วนเรื่องปลานั้นวันหลังค่อยเอาแหะมาทอดเองจะเอากี่กระชุกก็ได้คนเป็นครูว่าแล้วผมจะได้เล่นน้าหรือเปล่าครับน้าใสแจวอย่างนี้ หน้าดาพุทธนำไหว้เล่นหนุ่มน้อยยังไม่ทิ้งความเป็นเด็กตามใจเองแต่ข้าคงไม่เล่นดีวยวหรอกข้ามันเป็นโรคกลัวน้าถ้าเช่นนั้นก็ไม่เป็นไรครับผมไม่เล่นก็ได้เขาคิดว่าวันพรุ่งนี้ค่อยชวยนนายจุกกับนายโกมาเล่นอดใจรออีกวันเดียวจะเป็นไรไปเอาละถ้าเองหายเหนื่อยเราก็ลงมือกันเลยผมไม่เหนื่อยหรอกครับ เห็นสวรรค์แล้วหายเหนื่อยเลยว่าแต่ครูเธอเดินมาตั้งไกลคงเหนื่อยแย่ไม่เป็นไรคนอย่างข้าอดทนได้ทั้งอดทั้งทนเชียวละถ้าอย่างนั้นผมก็พร้อมที่จะเรียนแล้วครับงั้นส่งปืนมาหนุ่มน้อยคลี่เสือและผ้าขม้าออกหยิบปืนส่งให้คนเป็นครูมีกระสุนกี่นัดหกนัดครับดี วันนี้เอาแค่หกนัดก็พอรับรองได้นกเป็นร้อยๆอยตัวเลยล่ะนกยางหรือนกกระสาครับเอานกกระสาดีกว่านกยางเนื้อมันเหม็นเขียวเขาไม่นิยมกินกันแล้วนกกระสาเป็นยังไงครับอร่อยอย่าบอกใครเทียวยิงเอาไปแกงเผ็ดกินแกล้มเล่านะ่เองเอ้ยอาหารทิพของเทวดาก็ไม่ปานครูเคยกินอาหารทิพหรือครับ หนุ่มเจริญถามอย่างสนใจถึงจะไม่เคยแต่ข้าก็รู้มีอะไรในโลกบ้างที่คนยังไอชิ้นไม่รู้คนยังไม่สั่งเมาคุยโวไม่จริงมากครับผมว่าต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่คนเราไม่รู้หนุ่มน้อยขัดขึ้นแต่ต้องไม่ใช่ไอชิ้นไม่เชื่อเองลองถามมาสิถามอะไรก็ได้รับรองว่าข้ารู้หมดทุกอย่างตกลง ถ้าอย่างนั้นผมขอถามสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดคือผมอยากทราบว่าขนคิ้วครูมีกี่เส้นครับคนถูกถามชะ ง, งักนิดหนึ่งแล้วก็ตอบว่าห่าร้อยเส้นครูทราบได้ไงครับเอนอนะเขาตอบตด้ก็แล้วกันถ้าเองไม่เชื่อก็ลองนับดูถ้าเช่นนั้นผมเชื่อก็ได้ครับคําว่าด้วยครานที่จะพิสูจน์นั่นไง บอกแล้วว่าคนอย่างไอคินไม่มีอะไรที่มันไม่รู้คนเป็นครูถือโอกาสคุยถ้าเช่นนั้นผมขอถามอีกหนึ่งคำถามมักลกีผลมีจริงหรือเปล่าครับคนถูกถามทำหน้างงเพราะไม่เคยฟังเทศมหาชาติทั้งยังไม่มียายคอยเล่าให้ฟังอะไรของเองวะไอ้ผลทหวานะลงขยายความหน่อยสิมักลีผลครับ เป็นต้นไม้ที่ออกลูกเป็นคนเขาอธิบายไม่มีรกไอหนูต้นไม้บาบออะไรจะออกลูกเป็นคนเกิดจากท้องพ่อท้องแม่ข้าก็ไม่เคยพบไม่เคยเห็นคำตอบของครูชินทำให้หนุ่มน้อยลังเลใจเขาควรจะเชื่อคนขี้เล่าอย่างครูชินหรือว่าจะเชื่อผู้ทรงศีลทรงธรรมอย่างยายและลุงพ่อช้างดีหนอเรื่องนี้เขาจะต้องพิสูจน์ให้ได้ รอให้บวชเสียก่อนเท่านั้นเลิกพูดเรื่องเล้วไหลกันได้แล้ววันนี้เราจะเรียนวิชายิงนกกันข้าจะเป็นคนสอนให้เองนั่งลงแล้วตั้งใจฟังนี่วิธียิงให้ยกปืนเสมอไหลหันปากกระบอกไปทางฝูงนกที่กําลังเกาะอยู่บนกอบวนนั่นพอเล็งเสร็จก็ทําให้มันตกใจมันก็จะพากันบินขึ้นสู่ท้องฟ้า เองก็เล็งปืนไปที่พวกมันรอจังหวะที่มันบินเรียงกันเป็นเส้นตรงแล้วค่อยยิงรับรองว่าร่วงเป็นร้อยเลยเขาจะแสดงให้ดูเป็นตัวอย่างคนสอนเล็งปลายกระบอกปืนไปที่ฝูงนกกระสาเอาละเองส่งเสียงดังๆให้มันตกใจซิหนุ่มน้อยจึงออกเสียงชิวดังๆฝูงนกตกใจ พากันบินทยานสู่เวหาครูชิ้นรอจังหวัดที่มันบินเรียงกันเป็นเส้นตรงมือที่จับปืนสันระ ร, ริกเพราะฤทธิสุราแล้วนิ้วชี้ข้างขวาก็ลั่นไกเสียงปืนดังสนั่นจนท้องทุ่งเสะเทือนไหวนกฝูงนั้นร่วงลงมาประมาณครึ่งฝูงส่วนที่เหลือพากันบินแตกฝูงหนีเอาตัวรอด ทำไมนี้ไปได้วะคนเป็นครูรู้สึกเสียหน้าด้วยอุตสาห์คุยไว้เสดิบดีขอผมลองมั่งได้ไหมครับคนเป็นครูส่งปืนให้หนุ่มน้อยรอจนนกฝูงใหม่พากันมาเกาะบนกอบวัวคราวนี้ครูชิ้นเป็นคนส่งเสียงให้มันตกใจเมื่อลูกศิษย์ลั่นไกปรากฏว่านกตกลงมาทั้งฝูง คนเป็นสิทธิ์ดีใจที่ได้เป็นอติชาติสิทธิ์หากคนเป็นครูรู้สึกริษยาที่สิทธ์เกินหน้าเกินตาตนจึงบอกหนุ่มน้อยว่าขอลองอีกทีเด็กหนุ่มส่งปืนให้คนทั้งสองย้ายจากจุดเดิมไปหาที่ซุ่มจ้อนตัวใหม่ครั้งนี้ครูชิ้นตั้งใจเต็มที่แต่เพราะมือสัน่นผลจึงออกมาเหมือนเดิมอีก เองลองบ้างแกส่งปืนคืนให้ลูกศิษย์หนุ่มน้อยพอจะรู้ถึงความรู้สึกของคนเป็นครูเขาตั้งใจว่าคราวนี้จะกแกล้งยิงให้พลาดไปสักนิดให้เหลือนกไว้สักสองสามตัวที่บินหนีไปได้เมื่อเขาลั่นไกก็ปรากฏว่านกร่วงลงมาทั้งฝูงเหมือนครั้งที่แล้วแต่มีตัวหนึ่งไม่ถึงกับตาย เพียงแค่ปีกหักบินไม่ได้มันตกลงมาบนคนาและวิ่งหนีสุดทีวิตเด็กหนุ่มวิ่งไล่ตามและตะกรุบตัวไว้ได้เจ้านกตัวนั้นคงจะโกรธจึงจิกมือเข้าเต็มแรงจนเลือดพุ่งด้วยความแค้นหนุ่มเจริญหักคอถลกหนังหัวมันออกมาและเหวี่ยงทิ้งในลนะักษณะคอยังห้อยต่องแต่งอยู่อย่างนั้น